เทศสอนตัวเองการเทศการแสดงธรรมนี่เราถือว่าเราไม่ได้สอนคนอื่นแต่เรามานั่งให้คนอื่นเขาสอบไล่เราแล้วเราก็สอนเราเองถ้าไปคิดว่าเทศสอนคนอื่นแล้วหลวงพ่อเทศไม่เป็นไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนเขาเขาเก่งกว่าเราเสียอีก